อนาปฏิวนันพิกษุีต่อไปนี้ไม่ต้องอภวรคือ 1. พิกษุีไม่จงใจ 2. พิกษุีไม่มีสติ 3. พิกษุีผู้ไม่รู้ 4. พิกษุีผู้เป็นไข้ 5. พิกษุีผู้มีเหตุขัดข้อง 6. พิกษุีวิกลจริต 7. พิกษุีต้นบัญญัติ